เราก็ได้พักที่ดีเนาะใน้มู่ใต้เิงฟูชีฟ้าก็คงเป็นน้อยโอกาสน้อยครั้งนะที่เราจะได้พักในสถานที่ที่สะดวกแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาตทิที่สวยงามเหมือนอย่างเมื่อวานที่เราก็ได้ไปเห็นนะว่ายอดฟูชีฟ้า มันสวยขนาดไหนแม่ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแม่ไม่ได้เห็นทะเลหมอกแต่เราก็เห็นป่าไม้ในฝั่งประเทศลาวเห็นไ อ, ไอหมอกหรือไ อ, ไอควันมันลอยพุ่งขึ้นมาเนาะมันก็เป็นความสวยงามของธรรมชาติเวลาเร า, เราอยู่กับธรรมชาติเรารู้สึกเลยว่าตัวเราเล็กนิดเดียวเห็นป่า ใหญ่ใหญ่เห็นหน้าผาถ้าเราลองย้อนกลับมาดูตัวเองเราจะรู้สึกว่าตัวเรามันก็จริงนะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่โตเลยในโลกใบนี้ยิ่งถ้าเราไดนะ้ถ้าได้มีโอกาสขึ้นบนเครื่องบินแล้วก็มองลงมาข้างล่างก็จะเห็นเลยพื้นตาไม่จะใหญ่ขนาดไหนแต่บางทีมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะ พอสักพักมันก็ต่อไปก็เป็นเป็นที่กว้างเป็นที่โล่งต่อไปเรื่อยๆเป็นทะเลเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนเป็นเมืองเมืองี่ใหญ่ขนาดไหนนะเครื่องบินก็บินผ่านแค่เดียวก็ก็จากเมืองนั้นไปละนั่นโลกใบ น, นี้เนาะมันดูมันดูยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์เช่นเรานี่มากมายสิ่งที่เรามีเราก็ไม่มีมาก ถ้าเท่าไหร่หรอก็อมีนิดเดียวนะถ้าเทียบกับโลกใบนี้ถ้าเราลองมองกลับมาโดยเช่นนี้บ้างนะถ้ามองดีๆนะไม่ใช่มองแบบเข้าข้างกิเลสทํ า, าทไมเราถึงมีน้อยจังนะทําอย่างไรเราถึงจะมีให้มากกว่านี้นแต่ถ้าเรามองดีๆออชีวิตนี้มันก็ไม่ได้มันไม่จําเป็นต้องมีอะไรมากเนาะมันก็อยู่ได้ที่จริงถ้าเรามองดีๆเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกใบนี้แต่บางครั้ง ถ้าเรามองไม่เป็นเราจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเมื่อเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกหรือว่าศูนย์กลางของจักรวาลบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยแหละมันก็กลายเป็นเรื่องสุขเป็นเรื่องทุกข์ซอเต็มประดาเลยจะลืมมองว่าโลกนี้จะมีอะไรอีกต้องว่ามากมายแต่ถ้าเรา นะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายที่เราคิดว่าเป็นของเราอะไรที่เกิดขึ้นกับจิตใจที่คิดว่าเป็นของเราเราปิดประตูแคบเราอยู่แต่ในห้องที่เรียกว่าตัวของเราเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ได้ง่ายนะนะใครที่มองแคบแคบไปคิดแคบแคบคิดไปเรื่องของตนเป็นหลักเนี่ยมันจะทําให้ทุกข์ได้ง่ายนะแต่เรามองตนไม่ใช่มองเพื่อที่จะ โฟกัสเข้าหาแต่ตนแบบแล้วก็ปิดประตูแคบแต่เรามองตนในขนะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจนี้นะแต่ก็เห็นว่าที่จริงธรรมชาติภายนอกมันก็มีมากมายเหมือนกันนะกายมันทุกข์นะแต่ก็เห็นว่ามันก็เป็นแค่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายคนอื่นเขาก็ทุกข์เช่นเดียวกับเราแหละ ต้นไม้ใบหญ้าเขาก็มีความทุกข์เช่นกันเมื่อเรามองกว้างออกไปเออความทุกข์ที่เราเกิดที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยมันก็เราก็ทำใจได้เมื่อเห็นว่าที่จริงคนอื่นเขาก็ทุกข์สิ่งอื่นเขาก็ทุกข์นะก็ทุกคนก็ทุกข์เหมือนกันนะแต่บางครั้งอาจจะทุกข์มากทุกข์น้อยแตกต่างระเบีบบ้างแต่ ความทุกข์ก็ไม่ได้เลือกแต่จะได้นงานกับเราเพียงคนเดียวหรอกนะความทุกข์ก็เลือกที่จะ เ, เกิดขึ้นกับทุกคนทุกสรรชีวิตอยู่แล้วไมไ่เลือกหน้าไมไ่เลือกที่รักมักที่ชังนะพอเรามองเนี้ยเออเรารู้สึกว่าเออความทุกข์เขาก็ยุติธรรมนะนะอในเมื่อเรามีกายในเมื่อสิ่งอื่นก็มีกายนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับกายก็เป็นสิ่งที่ยุติธรรมแล้นแหละอนะ ่อเรามองนี้เราก็ไม่ไปโทษหรือเราไม่ไปจมอยู่กับความทุกข์ของตัวเองแต่ส่วนเดียวนะจิตใจก็เหมือนกันจิตใจบางทีเราก็นะบุญหงิดบางทีเราก็มีความโกรธบางทีก็มีกิเลสเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามองดีๆนะมองดีมันก็เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปถ้าเราไม่ไปยึดอารมณ์ต่างๆคนนั้นไว้ก็เป็นตัวเป็นตนของเราเนาะ มันก็ผ่านมาผ่านไปนก็ไม่ต่างกันนะแต่ถ้าบางทีถ้าเราไปยึดว่าเราไม่อยากคิดแบบนี้ไม่อยากโกรธแบบนี้ไม่อยากมีกิเลสแบบนี้บางทีเราก็จะไปเรียกว่านะไปเพิ่มความทุกข์นะไปเพิ่มความทุกข์ให้กับใจใจที่มีกิเลสย้อมมันก็ทุกข์แล้วแต่ใจที่ไปยึดมั่นว่าอันนี้เป็นความทุกข์ของเราเนี่ยแหละมันก็ยิ่งทุกข์หนักก็ไปใหญ่ แล้วยิ่งถ้าเราไม่ชอบกิเลสที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันเหมือนซ้อนเข้าไปเป็นชั้นที่สามเนะี่ยเพราะว่าเราพยายามที่จะผักใสพยายามที่จะยัดเรียกว่าถีบส่งเขาออกไปเนี่ยมันทุกซ้อนทุกนะทุกนะในเงื่อนแรกก็คือกิเลสเกิดขึ้นทุกเงื่อนที่สองคือการที่เราไปยึดว่ากิเลสนั้นเป็นตัวเป็นตนของเราทุกซ้อนที่สามก็คือการที่เราไป พออยายามที่จะไปผักใสพออยายามที่จะไปรังเกียจเขาเนี่ยมันเพิ่มความทุกข์จริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเพียงแค่รู้จักทุกข์ที่เกิดขึ้นนะมันก็แค่ทุกข์แค่ฝ่ายเดียวนะแล้วก็มันก็จากไปหรือถ้าเรามองดีๆเราก็จะเป็นผู้ดูนะก็เห็นความทุกข์อยู่ต่างหากจิตใจก็อยู่ต่างหากนะตติที่ดูก็อยู่ต่างหาก อันนี้ก็ ย, ยิ่งดีขึ้นไปนหรือบางทีความทุกข์ของเรามันมันซับซ้อนกว่า น, นั้นคือเราเห็นกิเลส ข, ของคนอื่ น, นเราก็เราลำเกียดหรือว่าเราไม่ชอบสิ่งที่คนอื่นทําไม่ดีสิ่งที่คนอื่นเข้าลงไปบางที่เราก็ไปไปอ ไ, ไ, ไปแสดงความคาดหวังเข้ามากเกินไปหรือบางทีเราก็ไปโกรธไปเกลียดเขา แต่ใช้จริงถ้าเราจิตใจเราเปิดกว้างขึ้นคนอื่นเขาก็เขาก็หลมเขาก็โกรธเขาก็าโดนกิเลสครอบ ง, งมบ้างนะมันก็ธรรมดานะตัวเราเองเราก็เคยเป็นเช่นนั้นเหมือนกันหรือว่าคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพลาดได้เช่นกันนะทำไมพอเวลาคนอื่นเขาพลาดแล้วเรากลับไปรังเกียดไปเกียดชังไปไม่ชอบเขา บางทีเราเองก็พลาดเหมือนกันนะถ้าเรามองแบบนี้เราก็จะ เ, เรียกว่าจิตใจเราก็จะเปิดกว้างขึ้นแล้วก็มอง <c oughs> คนอื่นเขาก็พลาดได้เนาะแต่เราไม่ควรจะไปทำเติมเขานะ แ, มแม่คนอื่นจะพลาดไปนะเราก็ควรที่จะช่วยกันให้เขากลับมามีสติจะดีกว่าแทนที่จะไปไปรังเกียดกันหรือว่าไป หาว่ากันนะในสิ่งที่คนอื่นเขาทาผิดหรือถ้าเราจะมองแบบมีปัญญามากกว่า น, นั้นนะก็มองเห็นว่าคนก็เป็นส่วนหนึ่งนะการกระทำของคนหรือว่าคำพูดของคนก็เป็นส่วนหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าการกระทำหรือคำพูดนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นการกระทำหรือคำพูดที่เกิดจากกิเลสครอบงำนะเราก็แยกไป แยกว่าอันนั้นเป็นเพียงแค่การกระทําครั้งหนึ่งของเขาหรือคาอพูดนะประโยคหนึ่งของเขาแต่ตัวคนจริงๆแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นตลอดไปหรอกพอนะเราแยกไปแล้วเราก็จะรู้เออการกระทาแบบนี้หรือคําพูดแบบนี้มันไม่เหมาะแต่เราไม่ได้ดังเกียรติที่ตัวบุคคลแต่เรานะรู้ว่าการกระทาหรือคาพูดแบบนี้มันมันไม่ควรแต่เราไม่ได้ไปยึดว่าอันนั้นคือ ไอ้คนคนนี้ไอ้ชื่อนี้ในบุคคลนี้คือคนที่เราเกียดคือตดตดูของเราไม่ใช่นะมันก็เป็นเพียงแค่ความหลงผิดเป็นความโดนกิเลสครอบงาชั่วคราวของเขาเท่านั้นก็ไม่ต่างจากเราก็เหมือนกันการกระทําของเราคือคําพูดของเราบางครั้งเราก็เผลอก็พลาดไปเออเราก็สามารถให้อภัยตัวเองได้เหมือนกันนะบางทีก็อย่าไปอย่าไปยึดติดกับคําพูดหรือความคิดหรือการทําของตัวเอง ทั้งหมดก็มันก็พลาดไปแล้วก็พลาดไปไม่เป็นไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่นะกลับมาตั้งหลักใหม่นัดังนั้นเราจะไม่ดังเกียรติที่ตัวบุคคลนะแต่เราอาจจะอาจจะแนะนําหรือว่าตำหน้ที่คําพูดหรือการนนะทํานำะของตัวเราเองก็ได้หรือของคนอื่นก็ได้นะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่ อ, อในการพัฒนาปรับปรุงตัวเราเองให้ดียิ่งขึ้นไปหรือว่าเพื่อการ เป็นการมิตรให้กับหมู่เพื่อนให้ให้ดีขึ้นไปอันนี้คือเนี่ยจิตใจแบบนี้นะคือจิตใจที่เราเราเปิดกว้างเราเห็นทั้งข้างนอกเนี่เห็นผู้คนเห็นต้นไม้เห็นธรรมชาติแล้วก็เราก็เห็นทั้งภายในของเราเองคือเห็นกายเห็นใจของเราด้วยคือดูทั้งข้างนอกรู้ทั้งข้างใน สติสัมปัญญะหรือว่าธรรมะนี่มันเป็นธรรมที่รู้รอบนะคําว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยก็คือไม่ใช่รู้แต่ตัวเองทั่วพร้อมเท่านั้นแต่รู้ทั้งภายนอกทั่วพร้อมด้วยนะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันดอกเพราะว่าอายตนะของเรามันมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ยมันก็ทํางานได้ทีละอย่างเท่านั้นนะ เพราะว่าอายะตะนะต่างๆมันเนื่องด้วยจิตเนี่ยจิตหรือว่าวิญญาณธาตุเนี่ยมันเป็นธาตุในการรับรู้แล้วการรับรู้มันรู้ได้ทีละทวารทีละช่องเท่านั้นแต่มันก็เร็วนะมันก็เร็วสามารถรู้แบบทีๆจนกระทั่งบางครั้งเรารู้สึกว่ามันเหมือนรู้พร้อมกันแต่แท้จริงแล้วมันก็รู้ได้ทีละครั้งเท่านั้นแต่เพียงแต่ว่าถ้าอะไรที่มันเด่นอะไรที่มันชัดขึ้นมา มันก็จะรู้ของมันแบบนั้นอันนี้เราก็รู้ทั้งข้างนอกรู้ทั้งข้างในรู้ทั้งกายหรือทั้งใจแล้วก็ดูทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นที่เนื่องด้วยทวารต่างๆเนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่ที่เราเรียนรู้เนี่ยคือคือสิ่งที่เราเป็นธรรมะที่เราสามารถซึมซับนะได้ตลอดเวลาเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์อย่างหลวปู่มั่นท่านบอกนะ ธรรมะสามารถเรียนรู้ได้ทุกหย่อมหญ้านะสำหรับคนที่มีปัญญาต้นไม้ใบหญ้าเขาก็สอนธรรมะเราได้ทั้งนั้นนภูเขาทะเลท้องฟ้าหรือไม่แต่ผู้คนเขาก็สอนธรรมะเราได้ทั้งนั้นถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นอย่างมีปัญญาอันนี้คือเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองเนา ะ, ะ, ะแล้วครั้นี้ก็อาจจะเสริมอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของ การเดินทางของเราเนะเราเดินเราเดินทุ ด, ดงเราเดินทางไกลวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่ายีสิบกว่ากิโลเมตรนะในแต่ละวันบางทีเราก็ต้องรู้จักเดินนะรู้จักเดิ น, นอย่างตัวผมเองหรืออตาตมัยเคยมีประสบการณ์ในการเป็นนักกีตาบ้างเป็นนักวิ่งนะแต่ส่วนใหญ่วิ่งระยะสั้นนะแต่บางคราวก็เคยวิ่งระยะกลางบ้างเลยเคยวิ่งมาลารทอนบ้างนะ มันก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันนะอย่างการวิ่งระยะสั้นเนี่ยมันมันวิ่งแบบจ้ำเอาจ้ำเอาไปเลยนะให้มันสุดกำลังไปเลยตั้งแต่ต้นจนปลายไปถึงจุดหมายเส้นชัยก็ค่อยไปหอบหรือว่าล้มลงไปเลยนะไม่ว่าเต็มที่ไปเลยแต่การวิ่งอย่างถ้าวิ่งระยะกลางขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะส ป, ปีดได้ตั้งแต่แรกหรอกต้องวิ่งแบบ พอประมาณไปก่อนนะพอประมาณไปก่อนแล้วค่อยไปสปีดในตอนท้ายทีเดียวเข้าเส้นชัยก็หมดแรงไปเลยแต่ถ้าเราต้องวิ่งระยะไกลนะเราต้องแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะตามกําลังของเราเพราะทําเมื่อไหร่ที่เราสตีบมากเกินไปเร่งเกินไปตอนท้ายเราก็ไม่มีแรงที่จะวิ่งนะ อาจจะไม่ถึงบางทีก็วิ่งไม่ถึงเส้นชัยได้ซ้ำนะหรือบางทีก็จะไปถึงเส้นชัยก็แบบแรงตกลงไปนะการเดินทางของเราก็เหมือนกันนะการเดินเท้าของเราอาจจะนะอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่เหมือนกับการวิ่งแต่มันก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้เนาะในการเดินเราก็ไม่ควรที่จะอย่างเราเดินเนี่ยมันเหมือนเราวิ่งมาทอนมันเดินเดินทางค่อนข้างไกลนะ่ะ นั้นเราต้องเก็บแรงส่วนหนึ่งไว้ไม่ควรที่จะตื่ให้มันให้มันมากเกินไปนะไม่ต้องเร่งเครื่องมากเอาพอประมาณของเราเดินแล้วก็ดูดูลมหายใจหรือดอูการเต้นของหัวใจการสุบฉีดของเลือดตัวนี้ประมาณนะ่ะนดูสังเกตว่าร่างกายมันมันไม่ล้าเกินไปนะเดินแล้วก็ให้มันพอประมาณ แต่บางทีถ้าบางจังหวะถ้าเราเล่งเดินเร็วหัวใจมันเต้นแรงก้ายมันหอบเกินไปนี่แสดงว่ามันเราเราเร็วเกินไปแล้วนะนะเท้ามันบางทีใจเราอาจจะไหวนะแต่ร่างกายมันก็อาจจะแสดงแล้วว่ามันเริ่มมันเริ่มร้อนมันเริ่มเหนื่อยเกินไปแล้วเราก็ต้องผ่อนลงมาอันนี้ นี่คือถ้าเราเดินในทางปกติทางราบปกติธรรมนานเนี่ยเราจะสังเกตุนี้ได้เออเดินมันเดินแบบไหนให้มันแบบไม่เร่งเกินไปเพราะที่จริงเนาะเราเดินไม่ใช่ว่าปลายทางของเราคือสมมติยี่สิบกว่ากิโลเมตรถึงบ้านนี้แล้วก็เดินให้มันเต็มที่หมดแรบงบวันนี้เลยไม่ใช่มหมที่จริงเราต้องเดินแบบเผื่อวันหลังๆด้ว ย, ยแม้เดินถึงสุดท้ายแล้วก็ ยังแบบสบายมากยังสามารถเดินต่อไปได้อีกหลายกิโลนนะ่ะมันต้องเผื่อแบบนี้อย่าไปคล้ายๆเอาให้มันเต็มที่ให้หมดแรงแต่ละวันไปเลยมันมันจะเป็นการลา้ราสะสมให้เราเดินตามกำลังของเราเนาะอย่าไปเร่งตามเพื่อนหรืออย่าไปคิดว่าเราเป็นตัวถ่วงเพื่อนนะยิ่งเราพยายามที่จะนะเร่งนั่นแหละมันกับช้า<ม>นะ แต่เดินช้าๆกับสามารถถึงจุดหมายได้เร็วนะหรือว่าถึงจุดหมายได้เรียกว่าไม่ล้าหลังนะยิ่งเดินเร็วนะกับยิ่งช้ายิ่งเดินช้ากับยิ่งถึงเร็วนะอันนี้สําหรับคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะนะถ้าเราจําเทคนิคนะี้เดินไปเรื่อยๆนะเดินเบเรื่อยมันก็ปักจะถึงเร็ว แต่ถ้ารับคนที่ร่างกายเขาแข็งแรงมากบางทีระยะทางอาจจะไม่ไม่ไกลมากเขาอาจจะเดินเร็วไปบ้างก็อาจจะทําได้ในฐานะที่ร่างกายแข็งแรงแต่จริงถ้าเราร่างกายไม่แข็งแรงนะักเราก็ต้องเดินไปเรื่อยไปเรื่อยนะ อ, อย่าไปเร่งอย่าไปโหงตัวเองเกินไปจะขึ้นเขาก็ธรรมดาแหละนะมันก็มีความเหนื่อยแต่ลงเขาก็มีความเหนื่อยเป็นธรรมดาเนาะก็ แต่อย่างผมเองแตแต่มาเองจะใช้การกําหนดลมหายใจเข้ามาช่วยอย่างเวลาขึ้นเขาเนะี่ยเดินขึ้นเขาก็ก็จะปิดปากไว้ให้สนิทแล้วก็ก็กําหนดลมหายใจเข้าคอนเนคคือกําหนดไม่ใช่ว่าตั้งใจนะแต่มายถึงว่าสังเกต ด, ดูลมหายใจช่วยนะไม่ไม่ได้ดูแต่เท้าที่ก้าวย่างเท่านั้นก็ดูลมหายใจด้วยพอเรามาดูลมหายใจเรามีสิ่งที่โฟกัสที่ตรงนี้มันก็ ทำให้ใจไม่ไปอยู่กับความดาร์ฟความเหนื่อยนะมันก็เห็นอยู่แล้วว่าลมหายใจบางครั้งมันก็ถี่หรือบางครั้งมันก็แรงหรือว่ากายบางทีมันก็หอบก็ลา้าแต่แต่ใจพอเรามีเครื่องอยู่มันก็มันก็สบายนะมันก็ไปได้เรื่อยๆถึงมันเหนื่อยบ้างหนักบ้างก็ก็ไปเรื่อยๆเหมือนรถขึ้นเขาอะขึ้นเกียร์หนึ่งเกียร์สองก็ไปเรื่อยๆ ไม่ต้องแบบพยายังเหยียบคอนเน่นให้มันแรงแรงนะไปเรื่อยไปเรื่อยนะพอไปสักพักหนึ่งก็ค่อยไปพักเนะี่ยมันก็ทําให้เราเราสามารถเลยไปถึงเป้าหมายได้นะมันก็บางทีเนะี่ยถ้าถ้าใครขับรถเต็นนะขับรถเป็นก็จะสามารถเดินเป็นนะที่จริงขึ้นเขาหรือลงเขาเนี่ยเหมือนก เ, เราขับรถนั่นแหละนะ ต้องใช้เกียร์ตำ่ำนะไปใช้ช้าไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเร่งเกินไป้วนะที่จริงรถแต่ละคันมันอาจจะไม่เหมือนกันในตำมันก็ต้องรู้จักรถด้วยก็คือรู้จักกําลังตัวเองนะไม่ต้องไปเดินห่างหร อ, อไม่ต้องเบรคแบบเร่งเกินไปนะไปเรื่อยๆเนะี่ยเราต้องรู้จักกําลังของเราเองรถแต่ละคันไม่เหมือนกันกําลังของเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะ ไม่ต้องไปพบมว่ามันจะชากว่าเพื่อนอะไรเนี่ยเราตามกำลังของเราเนี่ยถ้าเราเอาทําตามกำลังของเราเนี่ยมันจะไม่ห่างกันมากหรอกนะเพราะว่าถ้าเราค่อยๆไปค่อยๆไปอันนี้คือคือการเดินนะคือการเดินซึ่งเราก็เป็นการเรียนรู้ตัวเนาะบางวันอาจจะรู้สึกเออเดินแล้วรู้สึกโอเคนะเดินเดินได้จังหวะดี เดินแล้วก็มีสติดีบางวันก็โอเคบางวันอาจจะรู้สึกพลาดไปบ้างในบางช่วงใจมันเผลอรีบไปใจมันเร่งเกินไปเออกระช่ำหัวมันนะถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เก็บประสบการณ์ที่ผิดพลาดเนี่ยมาม า, มาใช้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะั่หรือว่าในวันนี้นะก็จะไปถือว่าเออไอพลาดไปแล้วมันก็เราไม่ดี น, ดนะ เราแย่ไม่ใช่เนาะก็ถือว่าเป็นบทเรียนเนาะไม่มีใครที่จะทำดีทำถูกตลอดเวลาหรอกนะแต่ถ้าคนที่รู้จักตัว บ, บทเรียนนะั่นะจะสามารถเอาบทเรียนที่ผิดนอะหรือว่าเอาสิ่งที่พลาดมามาแก้ไขแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นไปได้อันนี้เราต้องเก็บเก็บประสบการณ์ตอนเนี้ยให้มันไปเรื่อยๆนะมันก็จะ พัฒนาขึ้นไปเองอย่าไปคาดหวังตัวเองสูงเกินไปน ท, ท, ทำตามกำลังแล้วก็ความสามารถของเราแล้วก็มีหมู่มีเพื่อนก็คงพอจะช่วยเหลือกันในบ้างในบางส่ว น, นในหลายๆส่วนก็คงช่วยดูกันได้ก็เดยววันนี้เติมนิดหนึ่งอาจารย์ตุ้มบอกของวันละว่าแต่ไม่มีโอกาสได้พูดนะอาจารย์ตุ้มบอกให้พูดเรื่องไปไอินเดียมาบ้างนะ ก็ไปพูดฟังสักนิดหนึ่งก่อนนะเียชาววันนี้นะก็ไปอินเดียเก้าวันนะแต่ก็มีแบ่งเป็นสองช่วงนะช่วงแรกเนะี่ยเป็นช่วงไปฟังหรือว่าไปร่วมแลกเปลี่ยนกับกับองค์ดรธรรมะแล้วก็ทางพระทางไายทิเบตนะก็มีมีพระไทยมีโยมคนไทย ไปร่วมประมาณสามร้อยห้าสชีวิตนะและมีทางพระที่เบรคห้าหกรูปนะมาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยคือหอจมาเหตุพุทธธาตุเขาตั้งใจจัดงานนี้เพื่อคล้ายๆเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ในพุทธศาสนาทั้งสองนิกายนะอย่างเมืองไทยเราส่วนให ญ, ญ่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นนิกายแบบเทรวาสนะ เป็นนิกายที่ถือเอาตามจารีตหรือข้อปฏิบัติตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่พระทรงที่ทําสังคยานาครั้งแรกเป็นพระเทระห้ารอยลูปก็สรุปเอาคงตามพระธรรมวินัยที่พระเจ้าท่านท่านบัญญัติไว้ไม่เปลี่ยนแปลง <c oughs> แต่ในส่วนของที่เบตเองนะบางคนก็เน้ยามว่าเขาเป็นแบบ มหายานบางคนก็นิยามว่าเขาเป็นแบบวัชรนะญนณก็คือมีความแตกต่างในการข้อวัดปฏิบัติบ้างนะก็อาจจะด้วยเวลาด้วยประเพณีหรือด้วยครูบาอาจารย์ก็ทําให้ข้อวัดแตกต่างกันไปบ้างบางทีมันก็เกิดความไม่เข้าใจกันในระหว่างในแต่ละนิกายนะแต่ จุดหมายในการปฏิบัติในการเสวนาครั้งนี้คือมันเป็นหัวข้อที่เรียกว่าหนึ่งจุดหมายหรายหนทางในในคำพูดในการเสวนากันเนี่ยพวกเราต่างๆนี่พยังชมชี้ว่าที่จริงพุทธศาสนาเนี่ยนะหรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จักพ่าเจ้านี้มีจุดหมายเดียวกันคือถึงพันนิพพานเหมือนกันนะในพระแบบเทรวาดเองก็ดีหรือแบบมหายานก็ดี เปิแบบวัชรยานก็ดีเนี่ยมีจุดหมายร่วมกันคือเข้าถึงนิพพานยิ่งเป็นนักบวชแล้วนะยิ่งมีจุดหมายตรงนี้ชัดขึ้นนะจัดปฏิบัติวิธีไหนก็แล้วแต่ก็ปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงนิพพานนะเพื่อถึงนิพพานเหมือนกันแต่พริงนะว่าศีลมันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะตามอะไรต่างๆแต่จริงก็ไม่ได้แตกต่างมากนะที่จริงหลักๆแล้วก็เหมือนกันนะ ปัจเจกศีลสังฆาธิเสถียสิบสามเนี่ยก็ก็คงไว้เหมือนเหมือนกันนะแต่อวบเล็กน้อยอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างเครื่องแบบหรือพิธีกรรมแตกต่างกันไปบ้างที่จริงนะถ้าถ้าเราไปไปมองหรือว่าไปพยายามที่จะแยกแยะในข้อที่แตกต่างเนี่ยมันทําให้เราหลงทําให้เราพลาดว่าอันนี้ไม่เหมือนกันอันนี้ไม่เหมือนเรา นั้นเป็นแบบของเขาแต่จริงถ้าเรามาโฟกัสที่จุดหมายร่วมกันเนี่ยมันจะเห็นว่าเออนักบวชในแต่ละนิกายเขาก็มีจุดหมายเหมือนกันก็คือความไม่ทุกข์หรือว่าพระพระนิพพานเหมือนกันที่จริงไม่ใช่แต่นักบวชเท่านั้นถ้าเป็นชาวพุทธแท้จริงก็สามารถมีจุดหมายคือไปถึงมรรคนิพพานได้เหมือนกันนะ น, นี่มันเป็นการพอเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเราจะเห็นว่าจุดร่วมของ ของในนิคายต่างๆก็มีเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าวิธีการบางอย่างอาจจะแตกต่างกันไปบ้างรูปแบบอจจะไรแตกต่างกันไปบ้างแต่มันไม่ใช่เนื้อหาสาระสำคัญเลยเหมือนกับพระกับแม่ชีอ่างนี้เนาะก็มีสิ่งที่แตกต่างกันในเรืความเป็นสมมติแต่เราก็สามารถปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงนิพพานได้เหมือนกั น, นหรือมแม้จะเป็นโยมก็เหมือนกัน อาจจะถือแค่ศีลห้าแต่ถ้าเราถือศีลห้าด้วยแล้วก็เราภาวนาไปด้วยก็สามารถเข้าถึงมรรคนิพพานได้เหมือนกันานะฉะ น, นั้นบางทีรูปแบบการแต่งกายหรือว่าศีลที่แตกต่างกันแต่จริงไม่ได้ปิดกัน้นเป้าหมายคือมรรคนิพพานเลยนะ น, นี่สปร์ลมองนี้มันก็จะเป็นเห็นเห็นจุดร่วมกันของของแต่ละนิกายหรือว่าแต่ละบุคคลที่ปฏิบัติกันเพราะเรามีจุดร่วม ถ้าเราสามารถถ้าดวมจุดรวมตรงนี้ที่มันมากกว่าศาสนาได้นะถ้าเรามองเห็นว่าที่จริงศาสนาอื่นหรือคนที่บอกว่าไม่นับถือศาสนาที่จริงก็มีความเป็นคนมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันเมื่อมีความเป็นคนมีความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนก็ต้องการที่จะมีความสุขมนุษย์ทุกคนก็ต้องการที่จะไม่ทุกข์เหมือนกัน อันนั้นเราจะทําเช่นไรให้มนุษย์หรือว่าให้เพื่อนร่วมทุกข์ของเราเนี่ยให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้เพื่อนร่วมโลกของเราได้มีความสุขนะมันก็มีสิ่งที่ทางทิเบตเขาจะนิ้นคําสอนที่เรียกว่าเป็นถ้าต่าังกฤจเขาเรียกคอนะมเพลชันนะอาจจะรวมทั้งคำว่าเมตตาแล้วก็กนะัุณาณนะคือในทีก็คือมีเมตตาด้วยมีกรลยาณ์อาจจะทําอะไรจะพูดอะไร ก็ประกอบด้วยเมตตาแล้วก็คุณนาทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยแม้แต่บางทีคนที่ที่เขาไม่ปรารถนาดีกับเราหรือคนที่เขามองเราเป็นศัตรูมันยิ่งต้องมีเมตต า, ารุณนากับเขามากขึ้นนะไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูไมไ่มองเขาเป็นคนที่น่ารังเกียจแต่มองเขาเนยะอย่างมีเมตตาถ้าเรามองเขาอย่างมีเมตตาแล้ว ความโกรธความเกลียดมันจะไม่เข้ามาครอบงำจิตใจเพราะอะไรเพราะจิตใจเรามีเมตตากรุณาเป็นเป็นเครื่องอยู่นะความกิเลสตัณหามันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้อันนี้คือถ้าเราสามารถปฏิบัติตัวนี้ได้มันก็ทําให้เราอยู่กับเราอยู่กับเพื่อนร่วมโลกเราได้ได้อย่างเรียกว่ามีความสุขนะเป็นการแบ่งปันความสุขกันอันนี้ คือสิ่งที่ที่ได้ร่วมฟังแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนในวงสศปดาซึ่งก็มามาเล่าให้ฟังนะเพราะว่ า, าถ้าเราสามารถมองเช่นนี้หรือว่าคิดเช่นนี้ได้นะมันก็จะทาให้เราอยู่กับโลกใบนี้น ะ, ะมีความสุขมากขึ้นนะแล้วอยู่กับโลกใบนี้อย่างทุกน้อยลงแล้วก็เราก็สามารถที่จะแบ่งปันความสุข ให้กับเพื่อนรมโรคแล้วก็เราก็สามารถที่จะทําให้เพื่อนรมโรคนะเขอทุกได้น้อยลงด้วยอันนี้คือเราก็มีจิตใจแบบเนี้ไมปด้วยการฝึกสติการฝึกหัดตนเองก็เป็นสิ่งที่ดีนะนะก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งถ้าเราสามารถเอามาประกอบกับ ก, บการใช้เมตตากรุณาอย่างมีปัญญาด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปนะมันก็จะสมกับที่พระพุทธเจ้าท่าน ท่านเคยท่านก็เคยก็บอกเป็นคล้ายๆเป็นหัวใจของศาสนาของเราเนาะการที่ทำประโยชน์ตนนะก็ดีเนาะทำประโยชน์ของท่านก็ดีหรือทำประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ดีเนาะก็ต้องทำเรียกว่าอย่างถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะบางคราวเราเน้นประโยชน์ตนเป็นหลักบางคราวเราเน้นประโยชน์ผู้อื่นเป็นหลักบางคราวเราก็ทาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นหลัก แต่เราก็ต้องทําอย่างเรียกว่าทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะก็คือทําอย่างมีสตินะแต่ถ้าเราสามารถทําได้นะทั้งประโยชน์ตนทั้งประโยชน์ท่านเนี่ยก็จะช่วยให้ตัวเราเองออกจากความทุกข์ช่วยให้ผู้อื่นออกจากความทุกข์ช่วยให้ใจนี้มันมีความสุขที่แท้จริงเขาช่วยให้ใจิตใจคนอื่นเขาได้มีความสุขที่แท้จริงได้มีที่พึ่งที่แท้จริงเนี่ยมันจะยิ่งเป็น เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะว่าโลกใบนี้เนาะมันก็มันก็ต้องการผู้ที่ผู้ที่ชัดเจนในการในการฝึกฝนตนเพื่อที่ไปบอกต่อหรือว่าเป็นแนะนำผู้อื่นต่อนะอย่างน้อยเราพวกเราเนี่ยก็น่าจะเป็นกำลังที่จะช่วยพุทธศาสนาหรือช่วยโลกใบนี้ได้นยะถ้าเราน้อมว่าเออ กิจการหรือว่าภารกิจตัวเนี้ยเราก็น่าจะทํานะเราก็จะเป็นกําลังหนึ่งที่จะช่วยนะช่วยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นัแหละนะตามชีวิตที่มันมีอยู่หรือตามเหตุตามปัจจัยที่สามารถทําได้แต่ถ้าเรามีความปรารถนาเช่นนี้นะก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาบนโลกนี้นะก็ก็ฝากไว้